ปฏิบัติการที่พังงานผู้ที่โทรศัพท์ชักชวนให้ไปช่วยงานโรงทานสึนามิคือพระอาจารย์สัมพันธ์ท่านเป็นผู้เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ให้หลวงตาทุกครั้งที่มีงานคณะสงฆ์ที่ร่วมเดินทางมี 3-4 รูปจากวัดอโศการามคารวะก็มีกลุ่มของบิ๊กที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาและบอยซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดสังฆทานร่วมขบวนไปด้วย ขบวนเดินทางมีทั้งรถขนคนรถขนของรวมรถทั้งหมด 3-4 คันเราออกเดินทางในคืนวันที่27ธันวาคม2547แยกจากขบวนรถของสีไทยใหม่ที่ออกเดินทางไปอีกกลุ่มหนึ่งในช่วงกลางวันของวันนั้นคณะของเราเดินทางไปที่จังหวัดพังงาไปกราบพระอาจารย์คลาดวัดถ้ำบางเตยพระอาจารย์คลาดเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวที่มาอยู่ทางภาคใต้ เป็นกำลังสำคัญของหลวงตาที่จังหวัดพังงาพอไปถึงที่นั่นพระอาจารย์สัมพันธ์ก็เขียนป้ายโรงทานและแบ่งงานกันทำทันทีท่านและคณะสงฆ์ใช้รถกระบะออกไปในส่วนของท่านในทันทีหลังจากเกิดมาหันตภัยซึนามิพระอาจารย์โลมที่วัดป่าบ้านดอกแดงพังงาก็เริ่มออกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยท่านเป็นคนพื้นเพอ ย, อยู่ที่พังงาอยู่แล้ว แต่ไปบวชอยู่กับท่านอาจารย์วันชัยวิจิตโตที่วัดป่าภูสังโคอุดอธานีท่านจึงรู้ได้ดีว่าผู้ได้รับเคราะห์ภัยหรือผู้อบพยพอยู่ณจุดใดบ้างท่านประสานกับชาวบ้านออกให้ความช่วยเหลือคณะของเราได้ปักหลักโรงทานอยู่ที่พังงาสองวันสองคืนประสานงานกับทุกฝ่ายท่านอาจารย์โลมได้ให้รถวิ่งไปทุกจุดที่เดือดร้อนนาข้าวของขอ ง, ข อ, งองหลวงตา ของจากสายท่านและจากทางสีไทยใหม่ไปแจกจ่ายถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงโดยใช้วัดป่าบ้านดอกแดงเป็นศูนย์เก็บพวกของใช้น้ำและเสื้อผ้าแต่ละพื้นที่ที่เราเข้าไปนั้นอยู่ห่างไกลกันมากฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่ผู้ประสบภัยจะสามารถเดินทางมาขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการโดยเฉพาะช่วงนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวช่วงปลายปีหน่วยงานราชการก็หยุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยความพร้อมก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะออกไปปฏิบัติการไกลๆพวกเรากับพระอีกหลายรูปจึงถือเป็นหน้าที่ที่จะออกพื้นที่ในทันทีนั้นเลยเพื่อเอาของไปส่งให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยตรงในทั่วทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ที่ตำบลเกาะคอเ ข, ขาซึ่งอยู่ไกลต้องนั่งเรือออกไป ท่านอาจารย์โลมก็ได้ออกไปอนุเคราะห์โดยตรงในทุกจุดที่ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ภูเก็ตไล่เรื่อยมาถึงกระบี่และระนองท่านอาจารย์โลมก็วิ่งไปจนถึงนำเอาข้าวของทุกอย่างไปส่งเคราะห์